ฝ่ายุดทางตันหาอารมณ์ฝึกหัดทิศพร้อมวังตานทานทุกได้รวมสุขรวมสายใหญ่ให้อภัยสิ้นกันฝึกหัดทิศพร้อมวังมุ่งทางพุทธาโลกมายาวุ่นวาย จากวันหนึ่งกาใจปล่อยวางหลุดพ้นมีหนึ่งทำเป็นแนวคขีนมีหนึ่งทำเป็นหลักฝาอุปสรรคฝายหยุดทางตันหาอารมณ์ฝึกหัดจิตพร้อมหวังการคา น, ท, า น, ท, านทุก i n o n t e e t a la, upa sapai, u ข้ามันเด